เอชชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์ปุ้มใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสลียงที่รัก ลงจากเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่และจะเข้าไปในเมืองเพื่อเช่ารถเดินทางต่อแต่ก่อนจะไปที่เชียงรายเราขอเที่ยวเชียงใหม่สักวันก่อนเถอะไหนๆก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนี่นาใครๆก็บอกกันว่าเมืองเชียงใหม่ป็นดินแดนสูงสวรรค์มีมนต์ขลังปิดดายของลานาปีดด้ายของความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแห่งลานาซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนั่นเองยังไงเราก็ต้องสมคัดให้ได้ในสานามบินนั้น คนเดินทางเยอะมากทั้งคนไทยคนต่างชาติหนาตาแล้วเกิดเพื่อทต้องเที่ยวก็เป็นอย่างนี้นะพลุกพล่านเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ละคนมีกระเป๋าเดินทางไปโตโตทั้งนั้นทุกคนต้องอาศัยรถเข็นเพียงอย่างเดียวแต่รถเข็นที่เห็นเนี่ยเข็นไปเข็นมาก็ลายตาแล้วฮัลโหลแม่เองนะเทพอ๋อครับสวัสดีครับแม่ถึงไหนแล้วลูก คงถึงเชียงใหม่แล้วลส่สิไม่อย่างนั้นอ่ะเทพก็คงจะเปิดมือถือไม่ได้บนเครื่องบินอนะ่ะเขาห้ามเปิดมือถือถูกต้องไหมลกูกใช่ครับแม่ตอนนี้ผมอยู่สนามบินเชียงใหม่แล้วฮะกำลังเก็บกระเป๋าออกไปด้านนอกเพื่อหารถนั่งเข้าไปในเมืองแล้อหารถเช่าสักคันฮะอย่างนั้นเหรอลูกครับแม่เออจะขึ้นไปเชียงรายเลยหรือไงลูก อ, อ๋อยังเหรอครับอ้าวงั้นก็เที่ยวเชียงใหม่ก่อนละสิก็คิดว่าอย่างนั้นนะแม่แต่ยังไม่รู้เลยว่า จะอยู่เชียงใหม่สักกี่วันดีประธานคิดอะไรนะฮะแค่รู้ว่าจะต้องค้างที่เชียงใหม่เนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ก่อนครับอืมก็ดีเหมือนกันลูกเที่ยวให้สนุกนะลูกนะขอบคุณครับแม่ก็เหมือนกันนะฮะแม่ทําไมหรอแม่หาเวลาพักผ่อนมากมาด้วยนะฮะอ๋อแม่รู้หรอกนะมีหลีกไหมฮะแม่ก็เป็นห่วงนะลูกมีอะไรก็ โทรมาบอกแม่เป็นระยะระยะนะยังเงียบหายไปรูไ้ไหมลูกครับแม่งานคนนี้ก่อนนะฮะกำลังออกมาด้านนอกแล้วมีรถตู้จอดในบริสารอยู่ด้วยอืมดูให้ดีๆนะลูกเดี๋ยวจะโดนเขาหลอกรู้ไหมครับแม่อย่าให้คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเขาละ่ะครับแม่วาดีครับจ้าสวัสดีลูกเที่ยวให้สนุกนะลูกนะครับแม่ ยอมเข้า uh> ไปในล้าขนาดจับมันเข้าไปแล้วนะมันยังวิ่งหนีออกมาเลยนะเนี่ยมันไม่ถึงตื่นเล้าใหม่หรือพระเจ้าก็มันไม่ค pues ุ้นเคยกับเล้าใหม่ของมันนะสิเห็นไหมล่ะนั่นมันว <cool> ิ่งหนีไปหาเล้าเก่าของมันแล้วนะก็เล้าเก่าของมันเขาลือลงมากอกับพื้นแล้วะพระเจ้านานแล้วมันยังสงสัยแล้วก็ยืนงงอยู่เห็นไหมล่ะนะอมันกระดีกหัวไปมานานน่ะมันแปลกใจมากเลยฮะ นี่ถ้ามันพูดได้เนี่ยมันคงจะเอะอะโวยวายลั่นทุ่งแล้วลว่าเอาบ้านเขาคืนมาซะดีๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่หารู้ไหมว่าเล้าใหม่ที่สร้างให้ใหม่เนี่ยให้กับมันนะมันปลอดภัยเป็นไหนๆรับรองเลยว่างูเงียวเขียวขอไม่มีทางเขาไปละลานพวกมันได้อีกแล้วคืนของมันเราก็เอาหินขนาดยักษ์ขนาดใหญ่หนักๆทับซ้อนลงไปเพื่อกันไม่ให้งูเนี่ยมันทารู แล้วก็ทะลุขึ้นมากลางเล้าทางงูมันมีปัญญาดันก้อนหินขนาดยักษ์ใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็มันเป็นงูเสียนแล้วล่ะนะแล้วนะเราก็เอาดินทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ไก่เนี่ยมันเหยียบยำ่ำและที่สําคัญไอ้ดินพวกนั้นจะช่วยดูดซับความชื้นของขี้ไก่เพื่อให้ขี้ไก่มันแห้งสนิทแล้วก็สามารถเอาขี้ไก่ไปใช้ประโยชน์ได้อีกทอดนึงด้วยง่ายละ่ะฮะขี้ไก่เนี่ยเอาไปเป็นปุ๋ยดีนะอืม รับรองผักงามเหลือเกินเลยพ่อเท่าใช่เห็นผักพื้นบ้านที่เราปลูกกันไหมฮะเคยไปซื้อปุ๋ยจากตลาดมาใส่ไหมล่ะไม่เคยหรอกพ่เท่านั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องใช้กันเลยใช้ขี้ไ ก, ก่เยี่ยวคนนี่แหละ <c oughs> บ้านค้านะ่ะเยี่ยวมาได้เยี่ยวทิ้งเยี่ยวควางหรอนะเออเห็นหลังบ้านไหมล่ะนะ่ะมีองค์เอาไว้ใส่หมักเยี่ยวไว้ไปเรื่อยๆอยากจะไปรดต้นไม้รดผักเมื่อไร ตักใส่ถังแล้วผสมกับน้ําเปล่าอะตามสัสดส่วนพอเหมาะพอควรเท่านั้นแหละพืชผักก็จะงดงามยังเหลือเชื่อเยี่ยวก็เหมือนน้ำเอ็มฮะที่เดี๋ยวนี้คนเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละไม่เห็นแล้วอะผักพื้นบานที่เรากินน่ะทาไมมันถึงมีรสหวานกว่าในตลาดเพราะเราใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติที่เยี่ยมคนนี่แหละ คนในตลาดไปเห็นนะอาจจะไม่กินก็ได้เพ้าแเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเยี่ยวคนเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีวาโถเอ้ยจะไปรังเกียจลังงออะไรกันเยี่ยวคนมันไม่ได้สกปรกอะไรสักหน่อยมันเป็นสารอาหารในร่างกายเราที่เหลือจากการเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายเมื่อมันเหลือร่างกายก็กำจัดออกมาทิ้งทางอึทางเยี่ยวมันก็แค่นั้นเองแหละ แม่เพราะเท่านี้พูดตรงดีเหลือเกินนะอ้าวเราเชาวป่าชาวเขาจะมาให้เราพูดเอออุดมลงอุจละปัสสวะกันหรือไงอมันกระดากปากที่จะพูดว่าเฮ้ยเยจ้าสุเวยเอ้ยเจ้ะเออนี่เอ็งเห็นไหมเวลาเด็กเด็กมันวิ่งไปขี่ในคลองเล็กๆนะ่ะไอหมามันรู้นะมันวิ่งตามไปดักอยู่ทางข้างล่างเรียบร้อยแล้ว พอเด็กมันเบ่งขี่ปูดเดียวนะขี่ก็ลอย<ม>ทุบบ้องทุบบ้องลงมาหมามันก็ส่องประกายตาวาวับเลยนะเองเอ้ยเออพอมันลอยทุบป้องทุบป้องมาไกลๆไอหมาโวกนั่นก็อาปากงาบสวบก็เฮกินทั้งขี่ทั้งน้ำเข้าไปไม่มันกินเหมือนมันช่างอร่ออร่อยอย่าบอกใครเชีวเองเอ้ยเฮ้อะไรกันจ๊ะท่าทางสนุกกันจังเลยนะจ๊ะพ่ออ๋อนางสีลาแล้วนะ จ้เออแล้วนั่นเอาอะไรมาให้ขากับไอ้เจ้าซูเวยมันกินอีกแล้วนะฮะขนมหวานจ้ะพ่ออือนี่จ้ะโอ้โหยกปิ่นโตมาเป็นเถาเลยล่ะจ้ะพ่อแล้วขนมอะไรกันล่ะเนี่ยก็มันสำปะหลังเชื่อมจ้ะ โอ้ของชอบเจ้าสูเวยแล้วนะเนี่ยจริงไหมล่ะเอง <c oughs> จริงเจ้าพระเจ้าอ่าไหนไหนไนางสีลามันก็อุตสาหิวมาฮ <c oughs> มันอุตสาเชื่อมให้ ก, กินนะนะก็นั่งพักแล้วก็กินมันเชื่อมซะก่อนเฮ้ยเจ้าสูเวเยเอ้ยนะกินก็กินถ้าอย่างนั้น ฉันตักแบ่งให้นะจ๊ะพ่อพี่สุเว์เออจัดกัรเลยจัดการจัดกเหนื่อยๆแบบนี้นะเ อ, อ่อไอ้มันเชื่อมสักถ้วยไม่แรงคือมาเป็นกองเชียวเราเองเลย <laughs> ตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment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 แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดราว ใใยิ่งคิดไปคิดมาความออนไว้ในวันนี้ที่เธอนั้นมีนั่นแหละคือปัญหามองที่ฉันคนนี้ที่รักเธอเหมือนนานคนที่เธอนั้นมองผ่านเรื่อย คิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าฉันขอรักษาเธอได้ไหมให้เธอแชร์ความ้ำในหัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรัก ไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าว ถ้าไม่ได้พบกันแตฉันก็มีเธอไกลไกแม้ันอยู่แสนไกลแต่ฉันก็มั่นใจว่าทั้งสองเราจะต้องผ่านพ้นวันที่ กลัวว่าวนจะทให้เธอใจหรือความไกลจะทให้ใจฉันไววันความเาีทุกคสัญญาเอ glow ว่าว i a burn it. ลังติดตามรับฟังรายการละควรวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ที่สุดโทมมหาเทพนะ่ะเอาละนะทีเนี้ยเทบอยากจะพูดอะไรก็พูดมาได้เลยคะ่ะเปิดอกคุยกันเลยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะอ๋อเ <c oughs> พราะตอนเนี้พวงคุณม่ไติดแววงข้างเอลใช่ไหมเทพแหมทำไมเทพชอบทําให้บรรยากาศเสียอยู่เรื่อยเลยคะ่ะไม่ใช่เพราะความปากดีของแทพหรือคะที่สุดต้องตัดสินใจไปจากชีวิตของเทพนะ่ะที่โทมเขต้องการยอดเยียผม ยังหาใครมาแทนที่หัวใจว่างเปล่าทันหานไม่ได้ใช่ไมศาสตใจสูงมากสินะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเทพแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสุถามตัวเองไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วก่อนที่สุดจะให้คาตอบกับตัวเองว่าสุดไม่ไหวแล้วคืนสุอยู่กับเทพ ต, ต่อไปอะ่ะจะต้องเกิดการฆ่ากันตายเพราะต่างคนแต่ก็มีอารมณ์ร้อนใส่กันแน่เลย <c oughs> ชอบเป็นข้อแก้ตัวที่เยี่ยมมากๆเลยนะสุดเทพ สุรู้ในสายตาของเทพเนี่ยสุเลวสุทิ้งเทพเป็นแต่งงานแล้วปล่อยให้หุจใจของเทพตะเ ken คว้างแรกๆ ก, กเทพอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็จริงแต่พอดันดนเข้าเทพอาจจะต้องขอบใจสุก็ได้ที่สุตัดสินใจไปจากชีวิตของเทพเสียตั้งแต่แตวันนี้เพราะเทพได้รู้จักตัวตนแท้จริงของตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวตนของตัวเองมากขึ้น แล้วจะได้เลิกทอดคนอื่นเสียทีไงคะอที่สุดต้องการจะบอกผมนันมีเท่านี้ใช่ไหมเทพเมื่อไหร่จะเลิกใช้อารมณ์สเสียทีฮะผมกเป็นข้อผมบบดบาปตั้งแต่แไกลแล้วนะเมื่อสู่เห็นว่าตอนไม่ไปด้วยกันได้ทําไมไม่เลิกกันตั้งแต่ตอนที่เราครบเป็นเพื่อนกันถ้าไมปล่อยความสัมพันธ์ของเรามันงอกเงยและก้าวล้ำํำจุดกลายเป็นความผูกพันถึงบอกเลิกกันแล้วที่ใบหน้ า, าเฉยแบบนี้ มันเหมือนสุต้องการฆ่าผมให้ตายทั้งเป็นเลยนะเนี่ยเทปฉันฉนัน่นนั่นเทพร้องไห้เหร อ, อ, อไม่ไม่ไม่ได้ร้องไห้พมยาบตัวเองแล้วว่าจะไ็นเสียน้ำตาให้กับคนที่ไม่รู้ค่าแห่งความรัก บอกผมมาสิสุริบีไปเชียงรายทําไม ท, าทั้งที่เพิ่งทําำพิธีตามาศาสนาตอนเช้าเรียบร้อยแท่ที่จัดงานเลี้ยงตอนกลางคืนตามกาเฉิดคือว่าสุสดุการหนีหน้าผมใช่ไหมเปล่านะเทพแล้วไงพอดีพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเขาที่จัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่เชียงรายและต้องการให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ไปปรากฏในงานเลี้ยงด้วยค่ะที่แรก พ่อแม่เขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นอย่างนี้แค่บอกว่าแค่จ่ายงานเลี้ยงเฉยๆแล้วรอวันรุ่งขึ้นมาที่เชียงรายแล้วค่อยจัดเลี้ยงใหญ่อีกทีนึงโยนความผิดให้คนอื่นอีกจาได้สินะก็สุดแท่แต่แทบได้คิดแล้วกันไม่ว่าสูตรอธิบายยังไงเทบก็ไม่มีวันเชื่อสูตรอีกแล้วแน่นอนแล้วอย่างเนี้จะอธิบายเพื่ออะไรล่ะนั่นสินะอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับผมอีกแล้ว เพราะสุไม่มีวันกลับไปอยู่กับพอมิกและนีนาจริงไหมค่ะสาใจมากไหมที่ทิ้งผมได้เทพขอบคุณมากนะสุเป็นผู้หญิงคนแรกที่สอนให้ผมรู้จักคําว่าผิดหวังเมื่อก่อนผมตะขาบที่สอนให้ผู้หญิงรู้จักคําว่าผิดหวังซึ่งผมไม่เคยรู้รสชาติของมันเลยแต่ตอนนี้ผมรู้ซึ่งถึงรสชาติมันดีและเกินไม่ใช่ขมขื่นอย่าบอกใครเชื่อล่ะสวัสดิ์จริท ตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะว่าไงนะคะแค่พูดว่ายังไงนะคะผมบอกสุว่าตอนนี้ผมไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วแค่ามาทําไมที่เชียงใหม่แล้วสุที่ผมบินตามใครมากันฮะแคบผมจะไปปรากฏตัวให้เจ้าบ่าวสู่เห็นให้เจ้าบ่าวสู่รู้ว่าผมนี่แหละเคยเป็นแฟนสุมา ก, ก่อนแล้วโดนแฟนสุแย่งไปแคบอย่านะสุ ข, ขอร้องขอร้องก็ไม่เป็นผลแล้วล่ะ เพราะผมถึงใจบินตามมาแล้วเทพนอกจากว่านอกจากอะไรหรือคะนอกจากสุพาเจ้าบ่าวบินหนีไปลงหัวเห็นอีกทีนึงเออย่างนั้นไหมเหาะมาเหาะไปะมันสุมีปีกบินยังไงโธเทพอ่ะต้อรับผอให้ดีๆนะสุเทพคะสุขอร้องนะอย่ามาทำลายวิวาของเราเลยนะคะรีบรอดเถอะค่ะอ๋อยี่แสดงว่เจ้าบ่าวาสุไม่รู้สินะว่า สุเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้แล้วทำไมสุจะต้องบอกใครด้วยล่ะคะมันไม่ได้เป็นความสำคัญอะไรเลยนี่ไงก็ถึงว่าสินะเพระไปหาคุณก็มไม่สำคัญอะไรหรอกจะไปแคร์อะไรจริงไหมแต่ว่าเทพคะแค่นี้นะแล้วเจอกันไม่นะเทพจะทำอย่างนั้นนะสุขอร้องละมันสายไปแล้วสซจิรีผมต้องการให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยเท คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปษณียบัตหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนอสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์0 0 0หหรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี